ขึ้นเชื่อว่ากิเลสไม่ว่าชนิดใดและมีมากมีน้อยเพียงไรต้องแสดงตัวเป็นฆาตสืบตัวเราอยู่เสมอตามลึกของมันที่ยังเหลืออยู่ในใจมากน้อยไม่เคยไว้หน้าใครแต่ไหนแต่ไรมาฉะนั้นนักปฏิบัติที่ถือว่ากิเลสเคยเป็นฆาสึกแก่ตนอย่างฝังใจย่อมไม่นอนใจที่จะเลี้ยงกิเลสไว้ด้วยความนิ่งนอนใจว่ามันจะกลายเป็นมิจเจตนไม่ก่อพิษภัยให้ได้รับความทุกข์ร้อนในดๆอีกต่อไปแต่กลับเห็นเสียว่า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 นี่ใช่เพราะความง oo ก, กบังคับให้ต้องหลับนอนในขณะที่กําลังพนหรืออดอาหารความจริงท่านที่พอนหรืออดอาหารได้สามสี่วันร่วงไปแล้วย่อมหมดความโงก oo กซึ่งพอจะลดหย่อนในการหลับนอนไปได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องมีการบังคับให้หลับแต่อย่างใดแล้วการตั้งสติก็ง่ายการควบคุมจิตใจก็ง่ายจิตไม่ค่อยพาดผลและคึกขนองไปในอารมณ์ต่างๆสติไม่ค่อยเผลอตัว รู้เหตุการณ์ต่างๆที่มาสัมผัสได้เร็วกว่าเวลาปกติที่ไม่ได้ผ่อนหรืออดอาหารทำสมาธิก็ลงสู่ความสงบได้ง่ายทางปัญญาพ่อร่องแคล้วรวดเร็วผิดธรรมดาอยู่มากพระท่านเห็นคุณค่าแห่งการผ่อนหรือการอดอาหารว่าได้รับความสะดวกหลายทางสําหรับปรายที่ถูกกับจริตจึงได้พยายามเรื่อยมาแม้จะลําบากผิดธรรมดาบ้างเพราะนี่สยัยวาสนาของตัว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 ทำให้ท้อใจต่อการแบกหามภาระนั้นๆที่ตนต้องไปเกิดและสเสว อ, อยู่ร่ำไปถ้าไม่รีบพยายามตัดถอนให้สั้นเข้าแต่บัดนี้เพื่อภาระหนักทั้งหลายจะได้เบาลงหรือสิ้นไปอันเป็นการปลดปลื้งภาระให้เสร็จสิ้นไปในตัวความเห็นโทษในสงสารอย่างถึงใจที่มารวมอยู่กับตัวคนเดียวเป็นผู้รับเหมาทั้งสิ้นนี้ทาให้มีแก่ใจทุ่มเทกาลังทุกส่วนลงเพื่อความเพียร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 สมกับเป็นสิทธิของพระทศพลยานผู้กล้ากล้าหน้านักรบไม่ยอมลบไม่ยอมหลีกทุกสมุทัยัวงกิเลสทุ่มห่อดวงใจหนาแน่นเพียงไรพยายามแก้ไขกัดฉีกออกด้วยสติปัญญาสัทธาความเพียรเครื่องฟาดฟันจนปรากฏธรรมอัศจรรย์เกิดขึ้นในดวงจิตชนิดไม่เคยรู้เคยเห็นมาแต่กาไหนเป็นความอัศจรรย์ใจตัวเองเกินคาดไม่มีสิ่งใดสามารถจะกาไวในอานาจอีกต่อไปได้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 เธอกำลังแสดงความกล้าหาญชาญชัยต่อยุดกับศัตรูผู้อริต อ, อย่างเต็มฝีมือเพื่อรื้อพบพือชาติขาดกระเด็นออกจากใจไม่ลดละเพื่อชื่อเสียงเกียรติคุณระบือลือลั่นสนันทั่วไใรพบกำลังพยายามขุดค้นต้นตอแห่งจอมค่าศึกคืออวิชชาผู้มหาอำนาจพาให้เกิดตายด้วยสติปัญญาแหลมคมอยู่หรือเราสถาคตขออนโมทนาสาธุ ก, การ ขอเธอจงทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานภายในใจอย่างเร็วไวัรีบด่วนเถิทดทําดวงประเสริฐกําลังร อ, งรองจะตกเข้าสู่มือมือของเธอผูกเกี่ยงการฉลาดด้วยสติปัญญาอยู่แล้วเวลานี้ทั้งทรงปลอบทรงปลุกใจให้กล้ า, าหานทั้งทรงลูกทงครั่ศีรษะไปมาให้เกิดสัทธาเหนียวแน่นแก่นนักลบด้วยพระวจาอันอ่อนหวานทรงขับขานเกลียดกล่อมให้กําลังใจด้วยการทรงอันโมทนาในความเพียรของสักยะบุตร ผู้กำลังจะทรงวิมุติธรรมทางใจในเร็ววันนำธรรมอัจาริมาสู่โลกเพื่อหายโศกสันตปันโผลนแห่งม น, มนุษย์ที่กำลังตกอยู่ในความเดือดร้อนวุ่นวายด้วยกิเลสตัณหาอันฉาบทายาพิชิตกแก้ไม่หายนอกจากธรรมโอสถโสสงเป็นที่ดวงใจจากท่านผู้มีธรรมอัจาริทางภายในส่วนท่านที่ควรจะได้รับชัยชนะจากฆ่าศึกศัตรูเพราะความเพียรกล้า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 การนั่งงานรู้สึกจะเป็นความทุกข์ทรมานมากกว่าวิธีอื่นเพราะเกี่ยวกับทุกขเวทนาที่โหมกันมาในขณะนั้นถ้าสติปัญญาไม่ทันกับทุกขเวทนาที่โหมกันมาอย่างหนักหน่วงแทบไม่มีโปรงวางกายวางใจลงได้เวลานั้นย่อมจะฝืนทนนั่งต่อไปไม่ได้บรรลังสมาธิที่ขัดไว้ด้วยดีในเวลาปกติน่าจะแตกจากกันในไม่กี่ชั่วโมงอย่างไม่เป็นขบวน เพราะความเจ็บปวดรุดเราเป็นไปทุกอวัยวะน้อยใหญ่หลังมือหลังเทา้าเราก็ถูกไฟเผาทําให้ร้อนกระวนกระวายทั้งกายทั้งใจส่วนภายในร่างกายเป็นเสมือนกระดูกทุกท่อนที่ต่อกันจะแตกกระเด็นออกคนลชิ้นละอันเพราะความเจ็บปวดระบมไปทั่วร่างกายนอกจากนั้นใจยังแสดงความประส่าระสายไปด้วยเพราะกลัวตัวจะตายในขณะนั้นจนได้ทําให้วันไป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 เหมือนมีคนเอาคอ้อนมาทุบตีให้แตกให้หักไปในขณะนั้นเพราะความเจ็บปวดแสบร้อนสาหัสจนไม่มีที่โปร่งวางร่างกายจิตใจลงได้เลยปรากฏเป็นกองเพลิงไปทั้งรากสิ่งที่จะสามารถต้านทานกันได้ในเวลานั้นมีแต่สติปัญญาศรัทธาความเพียรมีความอดความทนเป็นเครื่องหนุนหลังไม่ยอมถอยทับกลับแพ้ฆ่าศึกที่กําลังโหมกันมาอย่างเต็มที่ราวกับจะ บ, บดให้แหลกละเอียดเป็นผุยผงไปในเวลานั้น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 นี่คือสมุทยเครื่องส่งเสริมทุกข์ให้มีกำลังกล้ายิ่งขึ้นจะปล่อยให้คิดขึ้นมาในขณะนั้นไม่ได้เด็ดขาดถ้ามายา ล, มล้มละลายแบบไม่เป็นท่ามีสติกับปัญญาเท่านั้นที่ต้องผลิตขึ้นมาด้วยอุบายต่างๆเพื่อให้ทันกับเวทนาในเวลานั้นโดยแยกแยะกายเวทนาจิตออกทดสอบเทียบเทียงกันดูจนทราบความจริงของแต่ละสิ่งอย่างชัดเจนด้วยปัญญา การแยกแยก่กายควรถือเอาจุดสําคัญที่ว่าเป็นทุกมากกว่าที่อื่นใดออกพิจารณาเช่นกระดูกขาหรือกระดูเข่าเป็นทุกมากก็กําหนดจิตตั้งสติพิจารณาฟัญญาลงในจุดนั้นว่ากระดูกนี้เป็นทุกหรือทุกเป็นกระดูกกันแน่ถ้ากระดูกเป็นทุกจริงดังที่เข้าใจเวลาทุกดับไปแล้วทําไมกระดูกจึงไม่ดับไปด้วยทุกเล่าถ้าเป็นอันเดียวกันดังที่เข้าใจสิ่งทั้งสองต้องดับไปด้วยกันจึงจะถูกกับหลักความจริง นหนึ่งเวลาคนตายและหมดทุกในร่างกายไปแล้วกระดูกยังมีอยู่ขณะนำไปเผาไฟกระดูกแสดงอาการเป็นทุกอย่างไรให้ปรากฏหรือไม่ถ้าไม่แสดงทุกคือความเจ็บปวดรุ่ดร้าวให้ปรากฏเลยกระทั่งถูกไฟเผาจนกลายเป็นเท่าเป็นทานไปเช่นั้นการไปเหมาเอาด้วยความสําคัญว่ากระดูกเป็นทุกทั้งที่กระดูกไม่ได้เป็นทุกดังเข้าใจนั้นจะไม่อับอายกระดูกและอวัยวะส่วนต่างๆ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 ก็ต้องเป็นความเห็นผิดเป็นความถือผิดจากความจริงซึ่งเป็นที่นาอับอายความจริงอย่างยิ่งที่มิได้เป็นไปตามความสำคัญมั่นหมายใดๆเลยขณะที่กำลังคลี่คลายแยกแยะกระดูกระเวท น, นาเพื่อทราบความจริงนั้นจิตและสติปัญญาต้องจดจ่อและทําหน้าที่ด้วยความสนใจกับงานน้ำจรงิงๆจะส่งจิตไปอื่นไม่ได้ต้องหมุนตัวอยู่กับกิตที่กาลังพิจารณาและพิจารณา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 ต่างอันต่างอยู่ตามความจริงของตนขณะที่ต่างอันต่างจริงนั้นจะได้เห็นความอัศจรรย์ของจิตและเห็นความอาถารของจิตว่าสามารถแยกตนออกจากเวทนาทั้งหลายได้อย่างอัศจรรย์เกินคาดนอกจากนั้นยังเกิดความอาถารต่อความเป็นความตายที่ขวางหน้าอยู่อย่างไม่สะทตบทานใดๆอีกด้วยเนื่องจากได้เห็นหน้าตาเวทนาที่เคยหลอกลวงให้กลัวเป็นกลัวตายอย่างประจักษ์ใจแล้วในขณะนั้นคาวต่อไป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 ด้วยการพิจารณาตามวิธีนี้ไม่ยอมถอยทับพับบอลังแบบสิ้นท่าท่านผู้นั้นต้องกำชัยชนะจากวิธีนี้โดยไม่มีทางสงสัยทั้งยังจะเห็นรอยพระบาทที่พระา ศ, าราศาสดากับพระสาวกเสด็จไปอย่างสดสดร้อน ร, ร้อนโดยลำดับและอาจลืมคำว่าพระองค์ปรินิพานไปได้สองพันห้าร้อปีเศษแล้วซึ่งแสนานานก็ได้เพราะความจริงกับาศาสดาเป็นอันเดียวกันาศาสดาแท้มใช่การสถ า, านที่บุคคล พอจะเปลี่ยนแปลงห่างเห็นว่าไกลกันริกลับกับเราตั้ง 2,500 ปีเศษแต่คุณทราบว่าความจริงอยู่ที่ใดาศาสตาก็อยู่ที่นั้นเพราะทําเกิดจากความจริงที่พิจารณารู้เห็นอย่างเต็มภูมิไม่นอกเหนือประจกักษ์มีดังนั้นท่านที่สามารถพิจารณาทุกขเวทนาจนถึงความจริงของกายของเวทนาของจิตจ่อมเห็นทำอย่างประจักษโดยลําดับซึ่งไม่นิยมการสถานที่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 การอธิบายวิธีพิจารณาทุกขเวทนานี้เป็นเพียงโดยย่อพอเป็นคติแก่ท่านผู้มินิสัยในทางเป็นนักต่อสู้เพื่อกู้พบชาติประหยัดความเกิดตายไม่ปล่อยให้เรี่ยราชาานกระจายไปตามภูมิกําเนิดต่างๆไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อทรงวิมุตติหลุดพ้นไม่กังวลกับกองทุกน้อยใหญ่ทั้งหลายอีกต่อไปเป็นเวลานานซึ่งแสนน่ารําคาญและกังวลใจนักหนาได้นําไปพิจารณาเพื่อหาทางออก โดยอาศัยกองทุกในขันเป็นหินลับสติต ป, ปัญญาให้คมคร่าตามแต่อุบาลจะพลิกแทงแก้ไขตน ด, ววด้วยวิธีต่างๆซึ่งมีมากมายเหลือที่จะนำคราวได้ละเอยียดทั่วถึงเพราะการพิจารณาทำทั้งหลายเป็นเทคนิคของแต่ละรายจะพลิกมาใช้เพื่อเปลื้องตนใครเป็นนักไขโคลนไตรตรองผู้นั้นจะเจอทางออกจากกองทุกในเรือนจาแห่งวัฏสงสารมีพระนิพพานเป็นที่สถิตมีความสงบสุขเป็นนิจ n i r a ์ แต่ใครกลัวทุกข์ไมยอมพิจารณาก็เท่ากับสงวนหัวน้าที่ฝังจมอยู่ในฝาทาไว้ให้กําเริบเป็นหนองและทําความเจ็บปวดแสบร้อนนอนคลางไปนานและอาจทาความกําเริบจนเท้าเสียใช้การอะไรไม่ได้กลายเป็นคนที่การม่อยเปียเสียอวัยวะไปได้ส่วนผู้เห็นภัยกรีบถอดถอนน้ําออกเสียแม้จะเจ็บปวดเพียงไรในขณะนั้นก็ยอมทนเอาแผลก็นับวันจะหายความเจ็บปวดก็ไม่ทรมานไปนาน และมีวันจะหายกลายเป็นผู้หมดทุกข์กังวลในวันข้างหน้าเพราะความกล้ า, ผาเผชิญทุกเพื่อนําสุขมาสูต่ตนท่านผู้นี้นับว่าสร้างความเป็นสริมงคลแก่ตนโดยถูกทางท่านที่กลาหารต่อสู้พิจารณาทุกขเวทนาในขันก็เช่นกันแม้ทุกจะมีมากน้อยก็สามารถพิจารณาจนรู้ทั่วถึงความจริงทุกส่วนไม่สงวนไว้เพื่อ ก, ก่อไฟเผาตนไปนานคําว่านิพพานจะเป็นสมบัติอันพึงพอใจในวันหนึ่งแน่นอนหนีไม่พ้น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 กิเลชนี้ต่างๆก็ย่อมอ่อนกําลังลงเพียงนั้นแม้นิโรธความดับแห่งกิเลสวามทุกข์ทั้งหลายย่อมค่อยๆดับไปตามกําลังของมรรคจนไม่มีกิเลสวามทุกข์เหลือหลออยู่ภายในกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาล้วนๆโดยไม่ต้องไปหามาจากที่ไหนแต่มีอยู่ที่ใจดวงหมดกิเลสโดยชื่นเชิงแล้วนั่นแหละคาว่าพุทธแท้ก็หมายอันนี้ธัมมะแท้ก็หมายอันนี้สังขะแท้ก็หมายความบริสุทธิ์นี้คําว่าธรรมคืออะไรก็คืออันนี้แหลที่เป็นธรรมแท้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 แต่ผู้ตั้งใจต่ออัพธรรมจริงๆฟังแล้วถึงใจได้ผลผิดธรรมดาอยู่มากผู้เขียนเป็นคนปา่ามีนิสัยอยากมาดั่งเดิมจึงชอบการแสดงแบบนั้นมาประจำนิสัยไม่จืดจางกิเลสคงยังอยากอยู่มากจึงชอบของแข็งๆตีเอาตีเอาใจรู้สึกหมอกง่ายไม่กล้าลำพองพยองตัวยั่วอยู่นักเหมือนที่เคยเก่งกาฉลาดกว่าครูตอนที่ยังไม่เคยพบของแข็งของคมสับเข็ ท่านอาจารย์มั่นท่านรู้นิสัยคนเก่งเมื่อเรื่องเรล่ราจึงมักมอบแจกเครื่องดัดสรานเจอบอนนี่ให้เสมอมาแทนที่จะยื่นผลไม้ลูกหอมหวานให้เมื่อถูกยาขนานสำคัญสำคัญหนักหนักเข้าเพียงได้ยินเสียงและได้ยินชื่อท่านเท่านั้นเจอบอนนี่วิ่งหาที่เหมาะปลบซ่อนเร็วยิ่งกวลิงซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเยี่ยมและเหมาะสมเสียเหลือเกินแม้ทุกวันนี้เจอบอนนี่ยังกลัวท่านอยู่เลยไม่หานโดดกิ่งนั้นกิ่งนี้อย่างโลดโผนัก เพียงระลึกถึงท่านกอหมอปราบทันทีท่านที่ชอบเที่ยวหาที่เด็ดๆเป็นที่บ่มเพนหนึ่งท่านที่ชอบนั่งอยู่ในที่ปลุกเปรียวน่ากลัวหนึ่งท่านที่ชอบอตาหารเพื่อเร่งความเพียรอย่างถึงใจหนึ่งท่านที่ชอบนั่งสมาธินานๆและต่อสู้กับทุกขเวทนาด้วยสติปัญญาหนึ่งและท่านที่ชอบฝึกทรมานตนด้วยวิธีต่างๆเหล่านี้เวลาสนทนาธรรมภายในกับท่านรู้สึกอัศจรรย์ใจอย่างบอกไม่ถูก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 ไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนประกอบความเพียรเหมือนคนมีราตรีเดียวเสมอกันเวลาเข้านั่งสมาธิภาวนาร่างกายเป็นเหมือนหัวตอกี่ชั่วโมงไม่ยอมลุกจากที่ทําแบบให้เกิดความอัศจรรย์แก่แก่เราผู้ได้เห็นได้ชมเสียทุกอย่างไม่มีทางต้องติได้เป็นคติตัวอย่างอันดีทุกๆอิริยาบทเมื่อเป็นเช่นั้นกิเลสจะมีจำนวนกี่พันกี่ล้านตัวก็พลอยถูกทำลายด้วยความเพียรท่าต่าง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 ตายอยู่บนที่นอนหมอนฮงบ้างทั่วบริเวณสถานที่ทางความเพียรต่างๆถ้ากิเลสเป็นตัวเป็นตนเหมือนสัตว์เหมือนคนก็คงเป็นป่าช้าที่น่าตัวมากมีทั้งผีดิบผีสดผีตายเก่าตายใหม่และตายด้วยการถูกทําลายเพราะความเพียรวิธีต่างๆจนไม่ชนะจะเผาจะฝังซากศพนั้นเลยถูกผู้เป็นนักกลัวผีไปเจอเข้าหน้ากลัวจะไม่มีลมหายใจวิ่งกลับไปบ้านเพราะผีกิเลสชนิดต่างๆถูกสังหารทําลาย ด้วยน้ำมือของ ท, ท่านผู้กล้าตายในสงครามแห่งวัตบนมากต่อมากรวมทั้งตายเก่าตายใหม่ตายทัพตายถมตายเกลื่อนกราดบ า, าดตาสะหล่ใจที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาในชีวิตจนประมาณที่ถูกแต่ท่านผู้สังหารกิเลสชนิดต่างๆด้วยความเพียรท่านกลับเป็นผู้สบายหายกังวลหม่นหมองสนุกครองมหาสมบัติภายในอันประเสริฐแต่ผู้เดียวไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องหุ่นวาย ผิดกับสมบัติภายนอกซึ่งมีมากมายเพียงไรคอยแต่จะหลุดมือหายไปด้วยเหตุต่างๆทั้งจากตัวเองเป็นผู้ทาลายสังหารทั้งจากโจรจากมารซึ่งมีมากยิ่งกว่าตาสับ ป, ประรดนอนก็เป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์เพราะการคอยระวังรักษาแม้เะนั้นยังกลับเป็นภัยแก่เจ้าของอีกด้วยดังธรรมท่านว่าโลโภธรร ม, มานังปริปันโทความโลภเป็นภัยแห่งธรรมคือความสงบเย็นทั้งหลาย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 โดยมากเวลาแสดงตัวย่อมมีเสียงสะเทือนสถานขู่คำรามให้ปรากฏพอโลกได้ทราบพริกของมันและเกิดความกลัวรีบพากันหาที่หลบซ่อนจนสุดวิสัยที่จะตะกีจตะกายเพื่อหลบภัยเอาตัวรอดได้ส่วนความโลกออกแสดงตัวไม่ได้ทำแบบนั้นแต่ชอบวางกลับดักไว้อย่าง ล, ลึกลับในหัวใจคนทุกชาติชั้นวรรณะแม้พระเนเนเทนชีก็ไม่เลือกหน้าว่าจะเป็นขาบางเลย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 ผู้ตั้งรายรับรายจ่ายไว้สูงจนใจที่มีความระลึกรู้บุญบาปอยู่บ้างบรรดามนุษย์ที่จะทำทัว่วไปไม่สามารถอาจเอื่อนทำลงได้มันมอบหน้าที่ให้พนักงานตัวโปรดสำคัญคือใจเป็นผู้ดำเนินงานคิดคนและสั่งเสียกิจการต่างๆออกทางกายทางวาจาให้เที่ยวสสแสวงหารายได้คนละทิศละทางทั้งใกล้และไกลทั้งในและนอก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 ระบาดเผาพัานทนหมกตัวอยู่ไม่ได้เพราะเหตุดังที่รู้รู้รเห็นเห็นกันอยู่อย่างเต็มตาเต็มใจไม่ปิดบังลี้ลับนี่นี่แหละทำของพระเรจ้าจึงควรได้รับรองยืนยันส่งเสริมว่าเป็นสวาขาชชัรมที่ตรัสไปชอบแท้ดังความโรุ่ที่ท่านแสดงไว้ว่าเป็นอันตรายแก่ความสงบสุขของบ้านเมืองที่ท่านว่าความโรุเป็นภัยก็มิได้ว่าไว้เพียงวันนี้และวันนี้เท่านั้ น, น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 เพราะต่างคนต่างผลิตต่างคนต่างน้าออกใช้อย่างออกหน้าออกตาจนลืมสํานึกในความกระดากอายภูมิมนุษย์ของตัวที่ได้รับยกย่องว่าเป็นภูมิที่สูงส่งด้วยความฉลาดและศีลธรรมแม้จะสแสวงหาทราบสมบัติมาได้กองทัพภูเขาเพราะอํานาจแห่งความโลภที่ผิดทางเป็นผู้บังคับชุดล่าไก่ทำก็หาความสุขไม่ได้ตลอดวันตายก็ตายไปเปล่าเล่าเฝ้าแต่กองทุกข์ที่ความโลภพาขวนกวายสร้างไว้อย่างมากมาน ความเป็นสิ่งที่น่าสลดนี้ถึงตัวเองไม่เนื้กลัวค น, คนอื่นคนอื่นก็นึ้กลัวแทนเพราะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรกล้าหาญบทเวลาเผาผลาญมันเผาผลาญจริงๆไม่ไว้หน้าใครเท่าที่โลกทั้งสวนย่อยส่วนใดปรากฏเป็นความเดือดร้อนขึ้นทุกวันแท้พูดได้ว่าเป็นทวีคูณก็เพราะความโลภนั่นแลเป็นตัวจับสําคัญที่ทุกสิ่งจะพึงหมุนตามอย่างยั้งตัวไม่ได้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 คือกิเลสกา ร, รมมันก็ไม่กลัววัตถุ ก, กรรมมันก็ไม่ถอยทะลงได้ชอบใจแล้วมันโลภอย่างไม่มีเมืองพอตายเป็นตายสู้เสมอไม่มีถอยแม้จะมีเครื่องบำรุงบำเรอแวดล้อมอยู่อย่างพอกพูนทับถมจนมองไม่เห็นตัวมันมันก็ไม่กลัวหนะ่ะถึงหลังจะหักมันก็สู้ก็แบกไม่มีคําว่ากลัวว่าถอยคําว่าถอยหรือพอทีเถอะกับเรื่องทั้งหลายพันนี้เป็นไม่ปริบปากพูด เพราะองมันไม่ได้หุ้มด้วยหนังด้วยเนื้อเหมือนท้องคนทองสัตว์แต่หุ้มด้วยความโลภไม่มีเมืองพอดีชนิดเดียวกันมันจึงอยู่ด้วยกันไปด้วยกันสู้ด้วยกันไา้อย่างพอตัวชนิดถึงไหนถึงกันเมื่กลัวว่าท้องจะแตกหลังจะหักตัวจะตายและขายหน้าไม่มีชิ้นดีสิ่งที่ท้องต้องใจมีเท่าไหร่มันเที่ยวเก็บกวาดมาไว้เต็มหัวใจถ้าใจเป็นเหมือนภาชนะอื่นๆต้องแตกเป็นผุผงไปนานแล้ว แต่ใจเป็นนามธรรมอันเหนียวแน่นแก่นทนทานต่อภาวะทั้งหลายจึงพอทนอยู่ได้ไม่บรยไปกับสิ่งกดทวงทำลายทั้งหลายซึ่งมีอยู่กับใจเป็นประจำแม้เช่นนั้นเรายังไม่สะดุดใจคำานึงถึงความสําคัญของจิตยิ่งกว่าคำนึงถึงสิ่งทำลายทั้งหลายฉะนั้นใจแม้เป็นสิ่งที่รับทาประโยชน์แกเราอย่างมหาศาลจึงมากถูกอดทิ้งให้อยู่ตามยถากรรม ไม่ควอยมีผู้สนใจเหลียวแลบ้างเท่าที่ควรแต่สิ่งที่เป็นค่าสิทธิ์ต่อใจนั้นมากจะได้รับความยกย่องชมเชยจากคนทุกชั้นสิ่งนั้นจึงนับวันเพิ่มความฉลาดแหลมคมและฉุดลากใจให้เกิดความชอบช้ำต่ำซามลงไปทุกทีไม่มีเวลาเป็นอิสระได้แม้ชั่วระยะหนึ่งพอให้ได้ทราบพอให้ทราบได้ว่าขณะนี้เป็นโอกาสของใจที่พอมีความสงบสุข บ, บ้างจากการกดทัวรต่างๆสมกับใจเป็นใหญ่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 ปฏิปทาที่พระธุดงค์กรรมฐานท่านพยายามตะเกียกตะกายเพื่อความหลุดรอดด้วยวิธีต่างๆดังที่ท่านกําลังอ่านอยู่ขณะ น, นี้นอกจากเกี่ยวกับกิเลสตุขุบาตเหล่านี้เป็นเหตุให้ท่านต้องทนทุกข์ทรมานด้วยพ่อปฏิบัติเพื่อกําจัดมันแล้วก็ยังมองไม่เห็นว่าท่านทําเพื่ออะไรที่พอทราบและมาลงนี้ก็ล้วนแต่อบายวิธีที่ท่านผู้หวังเล็ดรอดจากบ่วงมานที่กล่าวมาท่านพยายามเสืกคลานตามสติกําลังความสามารถของแต่ละท่าน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 และให้อาภาัยตามเคยเท่าที่ทราบมาในวงปฏิบัติระธุดงที่ท่านชอบฝึกทรมานตนด้วยการนั่งนานๆ น, นั้นรู้สึกมีมากองเช่นเดียวกับวิธีอื่นมีการผ่อนอาหารหรืออดอาหารเป็นต้นโดยท่านให้เหตุผลว่าการนั่งนานมิได้นั่งเพื่อต่อสู้กับทุกขเวทนาแบบตื้อที่ไม่ใช้หัวคิดปัญญาแต่นั่งด้วยการใช้หัวสู้ด้วยหัวคือสติปัญญาเป็นต้น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 แต่สิ่งที่เคยรู้เห็นแล้วย่อมไม่กลับกลายเป็นอื่นคงเป็นความจริงอยู่ภายในใจตลอดไปนอกจากจะทําให้ชำ น, นิชนานาญและกว้างขวางในความจริงส่วนละเอียดยิ่งยื่งขึ้นไปจนรู้เท่าและปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงเท่านั้นฉะนั้นการพิจารณาทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในเวลานั่งนานๆก็ดีในเวลาเจ็บไายใดทุ ก, ก็ดีจึงเป็นทางให้รู้เห็นสัจธรรมอย่างเปิดเผยได้โดยไม่มีปัญหา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 ผู้เขียนเพียงคิดเรื่องกิเลสเอารัดเอาเปรียบเราเท่านั้นก็นึกโมหขึ้นมาโดยลืมนึกไปว่าความโมโหก็คือกิเลสตัวหนึ่งซึ่งกำลังไต่ข้ามศีรษะเอียบย่ำไปมาอยู่เช่นกันแต่การนึกโมโหเพื่อจะเอารัดเอาเปรียบเอาช้ยชนะกิเลสซึ่งเราเคยแพ้มันมานานนั้นรู้สึกจะไม่เป็นกิเลสชนิดที่ทำคนให้เสียหากความโมโหให้กิเลสเพื่อแก้แค้นกิเลสของตัวกลับเป็นการเพิ่มพูนกิเลสให้มากมูลขึ้นแล้ว ก็คงไม่มีท่านผู้ใดผ่านพ้นทุกข์ไปได้เพราะความเป็นคนใจจืดไม่มีมานะขึ้นทักสู้กับมันบ้างเลยตามสัรชาตยานแห่งการต่อสู้ทั่วๆไปทั้งคนทั้งสัตว์ย่อมมีมานะหรือความโมโหเข้าสนับสนุนอยู่เบื้องหลังจึงมีกําลังใจประกอบงานนั้นๆจนสําเร็จรุ่วงไปได้เพียงเขาเล่นกีฬากันยังมีมานะหรือความโมโหเข้าช่วยสนับสนุนจนวาระสุดท้ายส่วนจะแพ้หรือชนะไม่สําคัญเพราะเป็นคนละเรื่อง ข้าทุดงวังท่านเราว่าความโกรธแค้นระห ว, ว่างกิเลสกับท่านรู้สึกจะไม่ผิดอะไรกับเขาทําสงครามกันมันมาณะมันเคียดแค้นจนเห็นได้ชัดจริงๆเวลาสู้กับกิเลสตัวสําคัญในคราวสำคัญจนไม่ยอมลดราวาสออกให้กันเอาเลยกิเลสก็เก่งไปทางหนึ่งที่ชอบเอาชนะเวลาเราเราเผลอตัวเราก็เก่งไปทางหนึ่งที่ชอบเผลอตัวให้มันอยู่เสมอทั้งที่ตั้งท่ามาให้เผลอก็ยังเผลอให้มันจนได้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 เท่าทีา่ทราบวันนี้ก็พอจับเงื่อนสาระสําคัญได้ว่าความมุขมนะและความโมโหให้กับกิเลส ท, ที่มีอยู่ในตนแล้วทําการแก้ไขหรือแก้แค้นกันด้วยวิธีต่างๆตามอุบายของมรรคคือสติปัญญาทําทั้งสองนี้น่าจะกลายเป็นธรรมคือทางมรรคอันเป็นฝ่ายแ ก, าก้มาณะกับความโมโหนี้ก็ไม่เป็นกิเลสถ้าเทียบ ก, ก็เท่ากับน้ายอกเอาน้ําวงปกติของน้ำเวลาปากคนก็ต้องเจ็บปวด